ศึกษากายและใจของเราให้ดีๆที่แรกแม้ว่าผู้ฝึกใหม่อาจจะเอากายเป็นฐานคือมิสติรู้กายไม่ว่าจะเป็นขณะที่กำลังเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าทำอิริยาบถธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันถ้าหากว่า ดูกายหรือว่าตามรู้กายไปได้เรื่อยๆก็จะเห็นใจของเราหรือว่ารู้ใจของเราว่ามีนิสัยธรรมชาติอาการอย่างไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยโดยเพราะผู้ที่ยังไม่ผ่านการปฏิบัติมามากเท่าไหร่หรือเอาเรียกว่าเป็นใจของปุถุชนก็ได้อันนี้ก็รวมถึง ผู้ปฏิบัติมานานแล้วด้วยจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือว่าการเสพติดความคิดมากบ้างน้อยบ้างจะต้องหาเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้แม้ว่าเราจะเอาสติมามาลู้กายแต่ประเดียวเดียวใจก็ไปคิดละ มีเรื่องคิดต่างๆมากมายหรือไม่ก็หาเรื่องมาคิดความคิดนี่มันเหมือนกับอาหารของจิตที่เรียกว่าต้องเสพอยู่เรื่อยๆโดยเพราะคนที่อยู่ในในเมืองมันมีอาหารที่เป็นความคิดให้เสพอยู่ตลอดที่จริงไม่ใช่อาหารไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวผัสสะต่างๆด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เข้ามาผสมลงมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ให้ปรุงมากไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์รวมทั้งเรื่องงานเรื่องการแล้วก็ความบันเทิงที่เสร็จนะทางโทรทัศน์วิทยุสื่อเหล่านี้เนี่ยมันกระตุ้นให้คิดอยู่เรื่อยๆและความคิดนั่นก็เป็นอาหารให้กับจิตนะแต่พอมาอยู่ที่นี่ ไม่ค่อยมีผัสสะที่จะให้เสพเท่าไหร่เรียกว่าผัสสอาหารผัสสะอาหารคือภัสสะที่เป็นอาหารของจิตมันก็หิวแล้วคนนี้ก็เลยต้องไปหาอาหารมาเพราะฉะนั้นก็เลยปรุงแต่งความคิดต่างๆเพื่อให้มาเป็นอาหารของจิตแล้วมันก็จะหลอกล่อนะมันก็จะหลอกล่อให้เราเนี่ยปรุงแต่ง ให้หาเรื่องคิดต่างๆเพื่อที่ได้เป็นอาหารของจิตนั่นเองกำลังเดินจงกรมอยู่ดีๆมีนกบินผ่านมามันก็าจะาบอกว่าเออนกนี่มันอะไรนะสวยดีนีออ่มันหากินยังไงนะอารามก็ล่อให้เราไปคิดแล้วคิดเรื่องนกบ้างหรือบางทีมีเสียงมาเสียงดังๆจากรถขาของ หรือว่าจากเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ปรุงแต่งแล้วเออทําไมถึงปล่อยให้เสียงดังอย่างนี้ได้วัดน่าจะมีนะมาตรการป้องกันนะทายังไงดีนอถึงจะไม่ให้ส่งเสียงดังเข้ามาในวัดอาเราหาเรื่องคิดอีกแล้วบางทีก็ปรุงแต่งไปเรื่อง ที่มีสาระเรื่องธรรมะป ก, กิจวิเคราะห์ธรรมะข้อธรรมเหานี้แหละคือเป็นอุบายเป็นลูกไม้ของจิตที่มันเคยชินกับการได้เสพความคิดนะจนเป็นนิสัยหรือว่าจนเสพติดก็ได้บางทีเราคงไม่ถูกถ้าจะเรียกว่ามันเป็นอาหารแต่มันเป็นสิ่งเสพติดเลยอาหารกับสิ่งเสพติดไ ม, ไม่เหมือนกัน อาหารนี่มันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ค่อยเสพบ่อยๆอาหารนี่สามเวลาสองเวลาก็ยังได้แต่สิ่งเสพติดนี่มันไม่จำเป็นแต่เสพอยู่เรื่อยเมื่อคนติดบุหรี่ติดเหล้าติดยามันต้องหาเรื่องเสพเรื่อยไม่เป็นเวลำเวลาความคิดนี่มันเป็นเหมือนกับสิ่งเสพติดของจิตพอจิตไม่ได้เสพความคิดเพราะว่าเราเอาจิตมาดูกาย มันเลยไม่ได้เสพความคิดมันก็เลยหิวมันก็เลยกระสับกระส่ายก็เลยต้องหาเรื่องหลุดไปมันเหมือนกับผู้ที่ติดยาเคยได้เสพยาหรือเสพ บ, บุหรี่ตามความอยากไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแต่พอเก็บมาเอามาขังไว้ในบ้านหรือมาจำกัดบริเวณในบ้านเนี่ย ไม่ให้เสพต่อไปมันก็กระสับกระส่ายหาทางออกจากบ้านเพื่อจะไปเสพไปหาของมาเสพนิจของเราเป็นอย่างนี้นะมันอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านบ้านในชิ่นี้คือแล้วก็คืออิเดียบทหรือกายที่เอามาเป็นฐานของการเจริญสติอยู่ประเดี๋ยวเดียวจะไปแล้วไปหาของมาเสพคือไปหา ความคิดมาเสพความคิดนี้ก็มีทั้งเรื่องอดีตแล้วก็อนาคตเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาพอได้คิดแล้วก็สบายใจมีความสุขเหมือนกับคนที่นีออกจากบ้านไปแล้วได้ไปเสพเสพมาก็สุขอาจจะเป็นบุหรี่อาจจะเป็นเหล้าหรือยาก็แล้วแต่ลองสึก ด, ดูนะใจข อ, องเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า มันจะหาเรื่องคิดหาเรื่องหลบออกจากกายมีลูกไม้ต่างๆที่จะทำให้เราเผลอ ท, ทั้งที่เราตั้งใจแล้วเราตั้งใจแล้วว่าจะไม่เผลอมันก็ยังเผลอไปยนได้นาทีนึงไม่รู้ว่าคิดไปกี่เรื่องหรือว่าคิดไปกี่วินาทีแต่อย่าไปนับมันเลยเสียเวลาให้รู้ว่าเนี่ยมันหาเรื่องคิดไปได้เรื่อยๆหลอกให้เราเผลอ แม่ก็คิดไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องสนุกเรื่องสนานแต่พอเรารู้ทันไม่ระวังไม่ให้มันคิดไปเรื่องนั้นมันก็คิดไปเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์เช่นเรื่องว่าจะช่วยเหลือวัดยังไงดีออกพรรษาแล้วนี่เออก่อนศึกไปจะทําประโยชน์ยังไงให้แก่วัดนะคิดแล้วก่อนหน้านี้ไปคิดเรื่องสนุกเรื่องไปเที่ยวในอดีตนี่มันคิดไปจนกระทั่ง สติรู้ทันมันก็เลยหาเรื่องไปคิดเรื่องเนี่ยว่าจะทำประโยชน์ยังไงให้กับวัดจะร่วมกลุ่มกันยังไงในพวกนวกะเอาละตอนนี้เริ่มคิดแล้วแต่พอรู้ทันมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นนะเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องข้อคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยมรรคไปโน่นเลยอันนี้มันหลอกนะต้องรู้ทันมันให้มีสติรู้ทันดึงกลับมาสู่กายสุริยะปรทศได้ บางทีไม่มีเรื่องคิดนะพอเรารู้ทันนลไม่มีไม่เผ้มันคิดไปไม่ว่าเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์หรือเรื่องที่เป็นการคบคิดธรรมะไม่มีอะไรคิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เข้ามาในการรับรู้เพราะว่าไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้อ่านสือพิมไม่ได้คุยกับใครไม่มีข้อมูลที่จะมาปรุงมาแต่งให้เป็นความคิดคราวนี้แล้วก็จะไปเอาเรื่องเก่ามา เรื่องเก่าๆสมัยวัยเด็กโน่นคล้ายๆว่าเหมือนกับวัวหรือควายเนี่ยพอไม่ได้มีอะไรพอไม่ได้กินหญ้าเข้าไปมันก็เจ้าสํารอกของเก่ามาเคี้ยวเอื้องอะไรคนนี้ไปเอาเรื่องเก่ามาย้อนหลังไปสิปีบ้างยี่สิปีบ้างสาสิปีบ้างบางทีถอยหลังไปงแต่สมัยวัยเด็กสามสี่ขวบมันนึกขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่มันเห็นภาพชัดเลย บางทีก็เป็นภาพธรรมดาไม่มีอะไรเด่นแต่บางทีก็เป็นเหตุการณ์สําคัญมันก็ใช้หนังย้อนฉายหนังย้อนอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการสําลอกความทรงจําสําลอกทําไมเพื่อว่าจิตมันจะได้มีสิ่งเสพมันไม่มีอะไรจะกินแล้วนี่ไม่มีอะไรจะเสพแล้วก็ต้องเอาของเก่ามาหากินนะมือโพสติดยายถ้าไม่มีอะไรติดบุหรี่ถ้า ไม่มีบุหรี่ก็ต้องเอาก้นกรองหรือว่าเอาอะไรมานั่งซื้อพิมพ์หรืออะไรเท่าที่จะหาได้เอามามาเสพอันนี้แหละก็ให้ศึกษาแล้วกันว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้มันเป็นจิตที่เสพติดเสพติดความคิดเสพติดภาษะถ้าไม่ได้เสพมันจะลงแดงจะลงแดงคือกระสับกระสายทุรนทุลาย อยากจะเลิกปฏิบัตนะิไม่ไหวแล้วเอาไว้แก่ก่อนค่อยมาปฏิบัติดีกว่าตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นนะมันหลอกเลยแล้วให้เราเลิกให้เราคลายความเพียร น, นี่เป็นอาการของจิตที่ลงแดงนะพอเสร็จติดภาษาจนชินแต่อาการเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นได้ไม่นานนะมึงก็พูดติดยาถ้าเรามามาฝึกให้เลิกมาจำกัด บ, บริเวณแม่หมายมก็กระสับกระสาย จะอ้วกจะปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวแต่ก็จะเป็นชั่วคราวทนไปสักพักก็ดีขึ้นการลงแดงทางความคิดหรือว่าทางภาษาก็เหมือนกันก็สับกระจายใหม่ๆแต่ตอนหลังก็จะดีขึ้นกลับชอบซิเออได้พบความสุขความสุขแบบ น, นี้ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นนึกว่าได้เสด จ, จะมีความสุขพวกที่ติดเหล้าติดยาติดบุหรี่ คิดว่าการได้เสพนั้นมีความสุขทําไม่ได้เสพนี่ทุกแต่พอเลิกได้ก็จะพบว่าโอ้การที่ไม่เสพไม่บริโภค ไ, ไม่ติดนี่มันเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าคนที่เสพติดความพิคก็เหมือนกันก็เนื้อมันต้องคิดถึงจะสุขใจลอยไปเรื่อยๆถึงจะสุขถ้าไม่มีอะไรคิดมันจะสุขได้ยังไงแต่พอจิตเริ่มสงบจิตเริ่มรู้ทันความคิดอาการลงแดงทําความคิดเริ่มทุเลาเบาบางไป จิตมีความสงบเกิดขึ้นไม่ได้รลนกระสับกระส่ายไปหาเรื่องคิดก็จะเริ่มรู้สึกสบายสงบอันนี้แหละแต่สงบก็ไม่ดีนะพะสงบเราจะติดเหมือนกันติดสงบเพลินสติก็จะไม่โตหลวงพ่อเทียนก็แนะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็แนะว่าถ้ามันสงบมากนี้ต้องเขยา่าเป็นเดิน เดินให้ไวขึ้นสร้างจังหวะให้ไวขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ความคิดมันกระเด็งกระดอนหลุดออกมาจะได้ฝึกเป็นเครื่องฝึกเครื่องซ้อมของสติเหมือนกับนักมวยที่เก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ลงสนามซ้อมเลยมันก็เฉ่ยความกระฉับกระเฉงก็หายไปแม้จะเก่งแค่ไหนจะน็อกคู่ต่อสู้มากี่คนแล้วก็ตามได้เหรียญทองมากี่เหรียญแล้วก็ตามก็ต้องมีคู่ซ้อมอยู่เสมอ ผู้ซ้อมจกเก่งไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีในการที่เราไปเดินเร็วๆสร้างจังหวะแรงๆอันนี้เพื่อกระตุ้นให้ความคิดมันออกมาแต่ไม่ใช่เพื่อเสพเพื่อเพลินแต่เพื่อซ้อมให้สติได้ซ้อมได้มีความคล่องแคล่วจัดเจนว่องไวอันนี้การปฏิบัติของเราเราไม่ได้เอาความสงบแต่ว่าเราเอาความรู้ตัว เอาความตื่นรู้สงบแล้วนี่กลายเป็นซึมก็มีหรือสงบแล้วก็เลยเฉืยก็มีอันนี้ธรรมดาเพราะฉะนั้นในในอินทรี่ห้าเนี่ยสมาธิต้องคู่กับวิริยะเพราะถ้าไม่มีวิริยะมากํากับสมาธิมันก็อาจจะพาไปสู่หรือคาดเคลื่อนไปสู่ความเฉืยเหนื่อย ลองสังเกตดูในวิริยะในอินทรีย์ห้าเนี่ยจะมีสองคู่คือศรัทธาและปัญญาแล้วก็สมาธิกับวิริยะต้องคู่กันตลอดเวลานะศรัทธากับปัญญาเนี่ยศรัทธาถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวก็อาจจะทำให้งมงายได้ต้องมีปัญญามาถ่วงเอาไว้เพื่อดึงศรัทธาให้เป็นศรัทธายาณสัมปยุต คือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้ามีปัญญามากไปก็กลายเป็นหลงตัวลืมตนหัวตึงขึ้นมาได้ไม่รู้จักฟังใครต้องมีศรัทธาเข้ามากํากับเพื่อให้เป็นปัญญาที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเรารู้จักเด ร, ร, รู้จักฟังเหมือนกับผู้ที่จบปริญญาเอกเนี่ยบางทีก็ดูถูกพ่อแม่ไม่มีศรัทธาว่าพ่อแม่นี่เขามีความรู้ยังไงบ้างการมีศรัทธา ศรัทธาในพ่อแม่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ทําให้เรียนรู้อยู่เสมอไม่ตกขอบสมาธิก็เหมือนกันสมาธิมากไปไม่มีวิญญาณมากํากับก็จะเฉยเหนื่อยโดยซึมเป็นพวกที่เรียกว่าไม่กระตือรือร้นอะไรเกิดขี้เกียจขึ้นมาได้ซ้ําอันนี้ก็ เ, เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อย จนกระทั่งทําให้คนทั่วไปคนภายนอกเขามองว่าคนวัดหรือนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นพวกเฉื่อยเนื่อยแต่ถ้ามีวิริยะมากไปมันก็ไ ม, ม่มีสมาธินะเจ็ดฟุ้งซ่านคิดน่นคิดนี้ตลอดเวลาเพราะมันวิ่งไม่ได้หยุดทํางานไม่ได้หยุดนอนก็นอนไม่หลับ ต, ต้องมีสมาธิเข้ามากํากับแต่สตินี่ไม่ต้องมีอะไรมากํากับนะสตินี่คือความเป็นกลางโดยตัวมันเอง มีมากๆยิ่งดีไม่ต้องมีอะไรมากํากับนะไม่เหมือนกับปัญญาถ้ามีมากๆต้องมีศรัทธากํากับศรัทธามากๆต้องมีปัญญามากํากับสมาธิมากๆต้องมีวิริยะมากกากับมาถ่วงเอาไว้วิริยะมากๆก็ต้องมีสมาธิมากํากับเพื่อไม่ให้วิบัติไม่ให้เกิดภาษาบาลีเราวิบัติคือเพี้ยนหรือมันคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นเมตตามากๆนี่ก็วิบัติเป็นสินเนหาได้ เมตตามากๆก็เกิดเป็นสินเนหาก็คือสเสนหานั่นเองฉัต้องมีอุเบกขาเข้ามากำกับไม่ให้มันกลายเป็นเลือกพวกว่าหลงไหลจนกระทั่งทำแล้วก็ถูกไปหมดลูกขโมยของให้แม่แม่ก็หลงรักออพูดแก้ตัวให้ลูกมีเหมือนกันเนี่ยขโมยของในวัดเนนหรือลูกชายขโมยของในวัดไปหาหชาวบ้านแมน่ก็ปกป้อง ปกป้องด้วยสินาหานะนึกว่าเป็นเมตตามันเป็นเมตต า, ตาชีวิบัติจะเป็นศินาหาไปต้องมีอุเบกขาอุเบกข า, าคือาเออลูกทําผิดก็ต้องรับโทษทันไปเราก็ต้องทําใจเป็นกลางไม่ใช่มาปกป้องจนกระทั่งลูกเสียคนอันนี้ใครเข้าใจความวิบัตินะในอินสี่ห้านี่จะมีธรรมะที่คอยถ่วงดุลกันเพื่อไม่ให้อันใดนหนึ่งเป็นวิบัติแต่ว่าตัวสตินี่จะไม่ไม่เป็นวิบัติ เพราะว่ามีมากยิ่งดีถ้าเรามีมากเนี่ยเราก็จะช่วยทําให้จิตของเราตื่นรู้อยู่เสมอการปฏิบัติถึงในเรื่องสติมากกว่าสมาธิคือเน้นความตื่นรู้มากกว่าความสงบพอสงบแล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยแก้ทุกข์นะอาจจะหายทุกข์ชั่วคราวเหมือนกับกินแอสไพรินกินยาระงับปวดแต่ถ้ามีความตื่นรู้แล้วนี่ก็จะเกิดเกิดปัญญาขึ้นมา ความรู้เข้าใจในธรรมชาติของรูปนามในธรรมชาติของสังขารแล้วก็ทําให้รูปนามมันหลอกเราไม่ได้ตอนนี้ยังหลอกเราอยู่นะหลอกให้เราหลงยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูของกูแต่ถ้าเรีนธรรมชาติความจริงของรูปนามของสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดปัญญาที่ทําให้ปล่อยวางได้ เมื่อปล่อยวางไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เกิดเป็นอิสระภาพความพันพ ว, วนปวนแปรมีหรือเสียขึ้นหรือลงก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ละจิตเป็นอิสระนี่เรียก ว, ว่าเป็นภาวะที่เป็นนิพพานสงความสงบเจน็นเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจคุณค่าของความมีสติความตื่นรู้ว่าฝึกไปเพื่ออะไรจุดหมายไปทางสูงสุดอยู่ที่ไหนไม่ใช่ความสงบ ความสงบเป็นผลพลอยได้เท่านั้นแหละหรือว่าเป็นผลข้างเคียงอย่าไปแวะนานเกินไปเหมือนกับเดินทางก็จะมีศาลาให้เราพักก็เหนื่อยแล้วก็พักหน่อยได้พักแล้วสบายใจที่ลําตะคองนี่ก็จะมีศาลาที่พักนักเดินทางบางคนก็ไปเพลินเพราะว่าทิวทัศน์สวยอยู่ที่ศาลานั่นแหละ ไม่ยอมเดินทางต่อก็เลยไม่ถึงวัดสักทีเนิ่นช้าพักก็พักได้แต่ว่าให้เดินทางต่อด้วยเพราะว่านั้นไม่ใช่จุดหมายอย่าไปหลงเพลินกับทิวทัศน์ที่เพลิดเพลินเจริญใจนะมันชั่วคราวเราต้องเดินทางต่อไม่งั้นก็ไม่ถึงวัดป่าสุโกโตหรือไม่ถึงตัวจุดหมายปลายทางที่สำคัญก็คือนิพพาน เรียกว่านิพพานคือเรื่อความเป็นอิสระจากความปนพ ล, พลนปลวนแปรต่างๆของโลกไตยรักทําและ ไ, ไม่ได้อันนี้จังทุกข์องอนัตตาทําแลไม่ได้เพราะรู้ความจริงเสร็จแล้ว